อากาศ ร, ร้อนอากาศเริ่มร้อนแล้กลางวันกาศเริ่มร้อนตอนเช้าก็พอดีสวยสบายตอนค่ำก็พอดีพอดีลมแผ่วเบาดีตอคืนตอนนุ่งค่ำากาศ ด, ดีลมแผ่วเบาดีลงมาเดิ่มุ่นขมไม่ต้องหม่มผ้าไม่ต้องห่มอะไรเลยแสงส่ายเดี่ยวงเฉยทุกคน ดวงหายไมต้องจุดตะเกียงแล้วอยู่ในที่มืดตะคุ่มตะคุ่มนี่ไม่จุดเหรไม่เห็นแล้วเหยียบตะขาบอีกเราจุดดันถึงคมเราลึกถึงข้อปฏิบัติให้มากเราลึกไึงรวยรวยเราจุดถึงเงาเนืองเรนลึกถึงบ่อย ถ้าเราไม่ระลึกเนี่ยมันชวนออกนอกนะมันชวนส่งจิตส่งใจออกนอกส่งไปส่งไปส่งไปจนข้อปฏิบัตินะั้นลืมเรือนลางจางหายหมดเหลือยไปกับกปีกไม่หมดจ้าวก็เลยจ้าวก็เลยจ้าวก่จืดก็เลยจืดน็จิตใจก็จืดก็เลยื่อดกเลจืดก็เลยจืดน็ ความมุ่งมั่นที่เราตั้งใจจะภาวนาเอามาักเอาขนเอาจางเข้าจ้างเข้าที่สำคัญนะข้อปฏิบัติทำอย่างอื่นทำอะไรก็ทำไปมีความจำเป็นก็ทำไปหมดเวลาก็ตอนลึกถึงข้อปฏิบัติทันที เราทิ้งเราทิ้งที่หลายทิ้งเมื่อไหรก็หางไปหางไปเร่หางไปเรือยยันไปเรื่ยานไปเรื่อยเมื่อธรรมะห่างเข้าห่างเข้ากิเลสมันก็ติดประชิดตัวเข้าประชิดตัวเข้ากิเลสมันถีเข้าถีเท่าหนักหนักเข้าทำเข้าแทรกไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนี่มันก็เป็นเรื่องลำบากนะพยายามสร้างบรรยากาศใหที่รับความสงบ ให้รับความมโนเวทให้รับความวังเวทสงบสงัดคลุกคลีกับโมการคลุกคลีด้วยปัดด้วยทำการคุกคลีด้วยข้อปฏิบัติอันนี้ท่านไม่ห้าวการคุกคลีด้วยความภาคความเพียรเดินจะโกนั่งสมาธิอาวานานอันนี้ท่านไม่ห้ามแต่การคุกคลีกับโมเป็นสังคณิกา เป็นการคุกคลีด้วยโม่ซึ่งมันตรงการข้ามกับอสังคณนการอสังคณิกาการไม่คลุกการไม่คลุกคลีกับโม่การไม่คลุกคลีกับโ ม, ม, บม่มันก็เป็นตัวของตัวเป็นจิตใจของตัวของตัวไม่ทำให้เราเผลอไม่ได้เราเพลินไม่ทำให้เราหลง กับสัญญาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะนำมาเกี่ยวข้าวิริยะนำพาปารุกความเพียรมีโอกาสที่จะปารุกความภาคความเพียรได้ปารุกความภาคความเพียรทางไหนปารุกขึ้นมาที่ใจนะะระลึกถึงสิ่งที่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสติอมานระลึกได้สัหรัจัญญาความรู้ตัวอื ตาตีความภาความเพียรปลารกเข้ามาอยู่กับจิตกับใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจก็ลอยเป็นเป็นอิสระขึ้นมาอิสระอยู่กับข้อปฏิบัติปลารกความภาความเพียรเข้ามาการไม่ครุกคลีเป็นเหตุเป็นผลให้เรามีโอกาสได้ปลารกความเพียรวิญญาณบำบา เราปฏิบัติเราขความเพียรที่ไ ป, ไปตั้งใจขอความเพียรเราเลิกได้อยู่อย่างนี้แล้วถึงแม้่เราจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างอะไรบ้า ง, างก็เป็นการเป็นคราวแล้วก็วกเข้ามาหาข้อปฏิบัติของเรามันก็ไม่เสียแต่ถ้าเราปล่อยเลยตั้งแต่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนมันก็ ลืมไปเรือเรื่อนลาไปรเรื่อยจากไปรเรื่อยหายไปรเรื่อยหายไปรเรยผู้ที่ท่านมีความชำนิชํานาญอสร้างเนืสร้างตัวสร้างจิตสร้างใจสร้างหลับสร้างฐานใกับจิตกับใจอยู่แล้วโอกาสที่ท่านเจ้าวอกเข้าไปรบความเพียรก็มีตลอดโอกาสที่เจ้าวกเข้าไปรบ ความภาคความเพียรก็มีตลอดดูสิ่งที่เห็นด้วยตาไละยินด้วยหูก็ดูอย่างธรร ม, มดูอย่างเป็นธรรมไม่ได้ดูด้วยความหลงไม่ไดูด้วยความเพลินดูด้วยความพิจิตพิจารณาดูให้เกิดสติ เ, เกิดปัญญาดูเพื่อให้ย่ังเข้าสู่หลักธรรมาชาติ หลักของสัจธรรมหลักของความเป็นจริงดูอย่างพิทิคราะห์พิจารณาใครขวดเพื่อเข้าถึงหลักความเป็นจริงมันหากมีให้เราพิจารณาอยู่รอบด้านสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเพื่ อ, อยังเข้าถึงหลักของความเป็นจริงโดยเฉพาะพิพจารณารูปเนะี่ยจะเป็นรูปอยู่ตามธรรมชาติก็ตาม จะเป็นรูปสัตว์รูปคนรูปอะไรต่างๆก็ตามที่มาเกี่ยวข้องมีส่วนมาสัมผัสสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องกับเรามันก็มีโอกาสที่จะชักจะลาบจะดึงที่ชำนาอย่างเข้าถึงหลักสัตว์จะทำได้เนื่องจากว่ารู้ข้อปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัตชิชำนาญในข้อปฏิบัติอยู่บนเส้นทางของข้อปฏิบัติก็สามารถดึงมาเป็นข้อปฏิบัติได้สามารถคิดแปลเปลี่ยนแปลง ไ, ได้ ผู้ที่ท่านมีธรรมีุตันผู้ที่ท่านเข้าถึงธรรมผู้ที่ท่านเป็นธรรมท่านอยู่ด้วยอารมณ์ของธรรมทั้งทั้งที่อารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องเป็นอารมณ์ของโลกนั่นแหละแต่ด้วยเหตุที่เรามีธรรมเราก็นอมไปสู่อารมณ์ความเป็นธรรมได้ทุกระยะได้เหมือนกันเพื่อเป็นการไม่ลืมเพื่อเป็นการไม่หลงไม่เผลอไม่เผลอ เราฝื้มาเลยที่เหลือก็แซื่อกรรมะฝื้มาเลยที่เหลือก็แซื่อฝื้นมาเลยี่ยมก็แชื่อฝึกจนชำนิชำนาจนคล่องในการทํางานแล้วมันก็เป็นตัวของตัวสามารถทํางานได้ทุกทุกขณะของจิตที่ที่ไปเกี่ยวข้องที่ไปสัมผัสสัมพันธ์ความสงบ สงบกายสงบใจพิจารณาเพื่อความสงบยุ่ยกระตาอวิเบกตามาพิจารณาเพื่อเกิดความสงบสงบท่มกลางอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละสงบอย่างหนึ่งก็คือไปอยู่ในที่สงบไม่มีคนพลุกพล่านสงบกายสงบกายก็เป็นเหตุให้เราสงบใจ ดึอารมณ์เข้ามาพิจารณามาจำกับมาปฏิบัติแม้แต่ไปสัมผัสมันก็ได้รับความสงบสงบกายก็เป็นอะไรสงบใจแล้วก็น้อมนําข้อปฏิบัติมาจำกับใจก็ภาวนาเข้าไปบริกรรมเข้าไปบริกรรมให้สงบพิจารณาอารมณ์ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อเกิดความสงบเป็นวิเวกวิเวกตา เราไม่หาที่ไหนหาได้ที่ใจหามีที่ใจหามีที่ใจเราไปอยู่ในที่สงบสงัดแต่ใจเราไม่สงัดก็สงัดแต่กายก็มันก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรเราอยู่ในที่พุกพล่านแต่เราพริจารณาล้อน้อมลองในตักในธรรมในหลักของสัจธรรมจนจิตเข้าถึงหลักสัจธรรมพิจารณาอน้อมลองในหลักของสัจธรรม น้อมลงให้เบื่อน้อมลงให้หนายน้อมลงให้เห็นเป็นเรื่องของอนิจจังของทุกขังน้อมลงให้เห็นเป็นเรื่องของอนัตตาเราสามารถน้อมลงเราสามารถยั่งลงได้ใจก็ได้รับความสงบเช่นเดียวกันการคทุกคลีเป็นเหตุที่เราได้ประรลุความเพียร การไม่ครุกครีการได้ปรารกความเพียรเป็นเหตุให้เราได้รับความสงบได้รับความสงบใจกายได้รับความสงบใจสงบจากอารมณ์ที่เป็นข้าสึกแก่ใจขาอปฏิบัติถ้าเราไม่ลืมเราไม่หลงเราไม่เหลือเลอเราไม่ลืมเมื้อลืมตัวมันก็มีโอกาสที่จะรู้สึกเมื่อรู้สึกตัวได้ตลอด ไม่ใช่ไปเหมกตัวอยู่คนเดียวแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีไม่มีอารมณ์ที่จะมาเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเรามีอยู่ปล่อยจิตปล่อยใจร่องลอยเรื่อยไปเราก็ไม่ได้รับความสงบเราก็ไม่ได้รับอารมณ์ที่เป็นธรรมไม่ได้รับอารมณ์ไม่ได้รับคำว่าความไม่คลุกคลีเพราะอะไรเพราะกายมันไม่คลุกคลีก็ตามแต่ใจมันคลุกคลี ถ้าเม่ใจคลุกคลีมันก็เกิดอารมณ์ที่ไม่สงบขึ้นมาได้อาจจะนึกคิดพิจรารณาค่อยคนไปตรองคลึกขนองไปตามหน้าของโลกก็เป็นได้เราพิจรารณาข้างใจเราจําง่ายๆก็คือไม่ครุกคลีด้วยกายก็เป็นเหตุให้สงบ ก, กายไม่ครุกคลีด้วยใจก็เป็นเหตุให้ไม่สงบเป็นเหตุให้สงบใจดังนั้นแล้วก็กลารุกความเพียรมาที่กาย เดิดึง่มก็เป็นการปลารความเพียรร่างกายเป็นเหตุให้ให้ร่างกายเข้าสู่ข้อปฏิบัติแล้วก็ดำติดความเพียรที่จิตบริกรรมเข้าไปกำหนดจดจอมีสติมีสัมผัสัญญากรรมกลับเข้าไปก็เป็นการปลาระความเพียรทั้งใจดึงมือกันนั่งนั่งให้ใจได้รับความสงบอยู่ในท่าทีที่สํารวม้ำรวงตาหูจมูกร่างกาย สัรณ์มาที ts, smoke death, smoke horses, smoke ös, ่ใจมาสัร er ณ์มาที่ใจเร็จแล้วเอาข้อปฏิบัติมัใส่ปริกรรมเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโก็หนักดูกายก็มึดดูกายเข้าไปหายใจเข้าหายใจออกก็มึดเข้าไปหายใจเข้าก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งหายใจออกก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งก็กำลังดูเข้าไปจิตใจก็พลอยชุ่มจิตใจก็พอยเย็น จิตใจก็พลอยมีสติมีสันสัสมปชัญญะพลอยโดดเด่นขึ้นมาเฉพาะหน้าเราเราความเพียงให้จิตใจเรามีมีกำลังสติกำลังปัญญากำลังสมาธิหาก ม, มีกำลังอยู่ไงมันก็พอยอยู่อยู่คนเดียวก็พอยอยู่อยู่ในที่สงบสงัดก็พออ ย, อยู่อยู่เกี่ยวข้องกับหมู่ก็พอยอยู่ อยู่ในที่ทุกพลางจุ้นจ้านวุ่นวายแต่ก็จุ้นจ้านวุ่นวายข้างนอกแต่รู้หลักรู้ข้อปฏิบัติเราก็พออยู่คืออยู่ได้ไม่ลอยจิตลองลอยเพลอเสียสติเสียอารมณ์เสียอะไรไปกับสิ่งที่มาเกี่ยวขอยวยวยวยว้องมาด่วนอะไรไปอยู่ได้ในรับความสงบก็ อ, อยู่ได้ขอปฏิบัติทำยืนจะนั่งกินวก็ทําลางคืนก็ทกา ตอนไหนก็ทําทําเป็นบิดเดเป็นไอจิ่มทำไม่ปล่อยไม่ปล่อยจิยตของจะปล่อยจให้ล่องลอยเลื่อยเปื่อยไปตามเรื่องมันก็มีเสียวันคืนร่วงไฟอยู่อย่างมีประโยชน์อยู่อย่างสะสมอยู่อย่างอบรมอยู่อย่างสร้างกําลังจิดกําลังแใจกับตัวเองอร่วงกระติที่เราสร้างเอาไว้ อยู่อย่างมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อให้ได้นั่งได้เก่งได้อัดได้ทำพอเป็นที่พึ่งพอเป็นที่ยึดพอเป็นที่เกาะต้องมีกาลังจิตกําลังใจสร้างงานสร้างวิญญาสร้างตัวสร้างให้กับจิตกับจาอตัวอยู่เรื่อยไปตลอดไปนี่เป็นหลักเป็นแก่ฑเป็นสารกับจิตที่จิตใจของเราได้ก็ ขอปฏิบัติอย่างอื่นเราก็ต้องถือปฏิบัตินอกจากถือปฏิบัติแล้วก็มีการค้นควา้าฝึกฝนอบรมที่นรื่องการรักษาศิ่งที่เราพูดถึงข้อปฏิบัติทางจิตทำจิตให้ได้รับความสงบบ้างพิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจบ้างข้อปฏิบัติข้างนอกก็คือการระมัด ร, ระวังเรืเรื่องสิ่กา ร, รที่เราจะรู้ว่าอะไรคือข้อปฏิบัติ มีข้ออะไรบ้างข้ออะไรบ้างเช่นอย่างสียงสองร้อยี่บเจ็ดมีข้ออะไรบ้างไหลายบ้างไม่งั้นเราก็ไปทําล่องละเมิดข้อใดข้อหนึ่งโดยที่เราไม่รู้หลักรู้เกินอันนี้เราก็ต้องดูต้องศึกษาเสีลง ส, สิบก็ศึกษาศสีสยสัมาัมพุทธเสียสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระองค์ก็ต้องศึกษาไม่ศึกษาทําไมเราจะรู้ข้อปฏิบายถ้าล่องละเมิดไปข้อหนึ่ง เราไม่รู้เราก็ต้องอาบาัตติรู้ว่าอันไหนเป็น อ, อาบัตตหนักอันไหนเป็นอบัตตเบาอันไหนเป็นอบัตต์ทำไปแล้วขาดจากความเป็นธระทําทไปแล้วต้องอาบัตตสังฆาฏิเศษต้องอบัตตพระยตีต้องอาบาตัตตทุกกฎต้องอาบัตตทุกภาสิศเราก็ต้องรู้ต้องการ ใ, ใจนี่เราก็ต้องมีเวลาให้เวลาให้โอกาสในการดูแลศึกษาการที่เราศึกษาเพื่อมาเป็นข้อปฏิบัติไม่เสีย ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาไม่เสียจิตไม่เสียใจไม่เสียเวลาศึกษาไปก็ได้ข้อปฏิบัตินี่พูดถึงเรื่องศีลเราได้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับศีลเราก็ได้รับความอบอุ่นเข้ามาไม่เป็นเหตุให้เราต้องไปทำผิดลงละเมิดอาบัติเล็กอาบัตใหญ่อยู่ร่ำไปเป็นเหตุเสี่ยงต่อความเป็นอยู่เราต้องต้องศึกษาต้องอบรมอบรมข้อปฏิบัติ ที่เป็นส่วนข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดเช็ดถูดูแลรักษาเสนาสนะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่การขบการฉันเราต้องมีสติต้องมีสัมปญญชัญญะพิจารณาดูไข้ครวรไต่ตรองดูแลจัดทาไปอย่างถูกต้องไม่เสียข้อวัดเราก็ไม่เสียส่วนขอวัดส่วนตัวเราก็ไม่เสียข้อวัดส่วนรวมเราก็ไม่เสีย ขอวัดส่วนใหญ่ในการดูแลหมดทั้งวัดเรากไ็ได้ช่วยดูแลกันเราก็ไม่เสียขอวัดส่วนครูบาอาจารย์เราก็ไม่เสียมันก็ได้กําลังใจเห็นไหมเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายๆอย่างไม่ใช่เราอยู่เกี่ยวข้องกับอย่างเดียวแต่หากมีสติกํากับพิจารณาดูต่อเนื่องไปไม่เสียศึกษาเรื่องสินเราก็เอาสติสัมปชัญญะกากับทั้งใจจด็บจอดูให้ดี ศีลข้องศีลต้องศึกษาศีลกถาเกี่ยวข้องกับศีลสมาธิกระถาผู้ถือย่อสมาธิผู้ถเรื่องเกี่ยวข้องกับสมาธิวิมุตติกระถาวิมุตคือความหลุดพ้นเราก็ศึกษาเราพูดถึงเราไม่มีเรื่องวิมุตติจะหลุดพ้นเราก็ศึกษาเรื่องความหลุดพ้น ศึกษายจากเทศของครูบาอาจารย์ศึกษาจากธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศเอาไว้ที่ท่านผ่านการอบรมมาเนี่วิธีการที่จะหลุดที่จะพ้นระดัความเพียรไงที่จะหลุดที่จะพ้นพูดต่อไปพูดถึงความหลุดพ้นพูดถึงความมุตติญาณทัศน์มนทัศน์มีญาณนะว่าหลุดพ้น อันนี้เราไม่นีเราก็อาศัยฟังเอาทั้งพูดทั้ง น, นี้เพื่อเป็นกลยุ์หมายป้ายทางให้กับตัวเองจริงเร่อนี้เป็นอัดเป็นธรรมทั้งหมดเป็นอัดเป็นธรรมทั้งหมดเป็นเรื่องที่เราควรประรถเป็นเรื่องที่เราควรพูดเป็นเรื่องที่เราควรนึกควรคิดให้มีอยู่ในจิตในใจของเราจากนั้นครอบปฏิบัิที่แปล พิเศษก็ไปอีกพอปฏิบัติเกี่ยวกับทุตดงขวัตนี่ก็เอามาดูทุต้งขวัตข้อปฏิบัติขัดเกลาอันนี้ทำเพื่อเกิดความถึงอกถึงใจทุต้งขวัตมุนทบาทเป็นวัดชั้นในบาทเป็นวัดชั้นอาสนะเดียวเป็นวัดมุนบาทไปตามแถวเป็นวัดนี่เราก็ได้ทุต้งสี่สี่ข้อแล้วเนี่ย เราทําตามนี้ทุดวงของเราไม่เสียไม่รับอาหารที่ตามมาส่งบนฉลานเรารับเฉพาะข้างนอกวัดนีน่ก็เป็นห้าแล้วได้ทุน ด, ดงห้าขอ้อถ้าเราตั้งใจทําตามนี้เราได้ทุ ด, ดงห้าขอ้ออย่าลืมว่าทุนดวงนี้ช่วยส่งเสริมกําลังให้กับตัวเราทุนดวงถือได้ด้วยการมีสัจจะสัจจะจากการที่เรามาผูกมาให้จิตเราถือมั่นอยู่กับทุน ด, ดง ก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยละเอียดด้วยข้อปฏิบัติเข้ามาอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเอาทุตดอกนี้เป็นอาพรมาปกมาคลุมมาหุ้มมาหอ่อข้อปฏิบัติของเราอีกรอบหนึ่งอันนี้สงางามทําให้ความมุ่ง ม, มั่นของเราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาอีกเพิ่มกําลังที่จะก้าวไปให้ถึงอีกพลังหนึ่งอีกอืหรือไม่เราจะสมทาน อยู่กลางแจ้งเป็นคืนๆ น, นี่เราก็อยู่ได้ก็อยู่บนพลันหินตรงไหนก็ได้สมาทานอยู่กลางแจ้งตลอดคืนหรือสม า, าทานสักเท่านั้นชั่วโมงเท่ น, นี้ชั่วโมงเราก็ไปสมาทานอยู่กลางแจ้งเป็นวัดหรืออยู่รม่มอยู่โคนไม้เป็นวัดนี่เราก็ไปอยู่ที่โคนไม้โคนไม้ไห้นเหมาะใต้รม่มเงาต้นเชี่ยวต้นอะไรที่มันเหมาะๆนะไปอยู่สมาทานเป็นคืนๆไป อยู่ในที่แจ้งเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดก็ไปอยู่ในป่านั่นแหละตรนไหนล่องลอยู่ในป่ามีหมูป่าหมูเล็กหมูใหญ่ไม้ใหญ่ไม้เล็กอยู่เป็นหมูเป็นหมูเราไม่ได้อยู่ในที่มุมที่บางนี่ก็เป็นการอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็เป็นทุดงควัดเป็นเท่าไรเลยเป็นแปดนั่งตลอดทั้งคืนเป็นวัดเป็นเนสัชชิต ไม่นอนอย่างอุกกระิที่สุดก็คือไม่หลับทั้งคืนจิตใจไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้เพลอเลยตลอดทั้งคืน mm hmm. มีสมาธิเอาไว้ได้ตลอดทั้งคืนไม่หลับยืนเดินนั่งไม่นอนอยุยรยาบทสามยืนเดินนั่งไม่นอน mm hmm. เป็นคืนคืนเราสมาทานได้เป็นคืนคืน มันยังเป็นว่าเราจะต้องสมาทานได้ทุกวันนี่ก็เป็นการทุนดย่างนั้นเราก็ภาวนานั่งภาวนาอยู่ทั้งคืนเราจะไม่ให้ความง่วงเหงาเผาหนอนครอบงำเราไม่ได้มันต้องมีเนื่องจากว่ร่างกายเราอึดในเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยมันก็มีความง่วงเหงาเผลอนออยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยเอื้ออานวยให้เราง่วงเาหงาเผลอนอนน้อยที่สุดก็คืออดข้าวอดอาหารนี่ อดอาหารมันอดอาหารร่างกายมันทํางานไม่หนักเมื่อร่างกายร่างกายทํางานไม่หนักโอกาสที่จะง่วงเหงาเหงาหนอนมันก็มีน้อยความเมื่อยความเพลียของร่างกายด้วยเหตุที่โดยเหตุที่อาหารมันทับนี่มันก็ไม่ค่อยมีไม่อยู่ได้ทั้งคืนตาสว่างทั้งคืนร่างกายเบาทั้งคืนไม่อยู่ได้อาจจะนั่งภาวนาทั้งคืนก็ได้นั่งภาวนานั่นแหละ มายอมลุกอนะ่ะนั่งทั้งคืนอ่ะหากมีปวดบ้างอะไรบ้างเราทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนลรืเปลี่ยนขยับเข้าขยับออกอย่างนี้ก็ได้<ม>เพื่อใหอยู่ได้ทั้งคืนมีก็บสมาทานได้มันจะนั่งทั้งคืนเราจะไม่ยอมลุกไปไหนละมันจะนั่งทั้งคืนนี่มันมีโอกาสที่จะอยู่ได้หลายอย่างนะอยู่ทั้งคืนอยู่แบบยืนเดินนั่งสลับกันไปนี่ก็ได้ เราอยู่แบบนั่งทั้งคืนก็ได้นั่งเวลามันปวดทุกเวทนามาครอบนำมากๆเข้าเราก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเปลี่ยนเหยียดเปลี่ยนอะไรแล้วก็เปลี่ยนได้แต่เราไม่ลุกเราไม่เดินต้องการว่าอยู่ให้ตลอดเป็นเนสัจจิปทุ ด, ดงอันนี้ก็เป็นการอยู่ทั้งคืนแบบแบบหลมหลวมแบบทุ ด, ดงก็มีในสงนะมีในสงในการสะสมในการเพิ่มผล เพิ่มผลในการปฏิบัติอยู่และไอ้ประเภทที่ว่าอยู่ทั้งคืนแบบปุกกฤิประเภทนั่งท่าเดียวไม่เปลี่ยนแต่อันนี้ต้องผ่านการอบรมมามากผ่านการสะสมมามากไม่งั้นเราผ่านไปยากแล้วไม่ใช่จับเสือมือเปล่ามันต้องมีพื้นเพของจิตที่มีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องไปรับมีการรู้มีการเข้าใจมีการเข้าถึงหลักสักจธรรมเป็นการเป็นข่าว ไมนงั้นเราก็ผ่านไปยากมันผ่านไปยากมากไม่ว่าจิตมันไม่มีอะไรเป็นเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นที่หลบเป็นที่พักเป็นที่อาศัยระหว่างที่เราอยู่เราทําแล้วก็ทุกขเวทนามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเราทําได้มีแหละท่านเรียกว่าหลวงตาท่านว่าธรรมะเพชฌฆาตธรรมะเพชฌฆาตเพชฌฆาตกิเลสกลัวมากธรรมะข้อนี้ ที่เรากลัวมากการที่เราจะทําเราก็ไปตั้งสัจจะเอาไว้ก็ได้ตั้งสัจจะเอาสักสองชั่วโมงตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวสองชั่วโมงไม่มันวอกแวกไปไหนเลยถ้าผ่านไปได้ถ้าครังตั้งใหม่เอาสักสาชั่วโมงไม่ให้มันวอกแวกมให้มั น, นคล่แคล่วไปไหนมันสงบอยู่กับคําบริกรรมนั่นแหละไม่ทิ้งคาบริกรรมนให้สงบอยู่ในนั้นแหละ จะเป็นจับตาอะไรงไงมัดอยู่นั้นแหละมัดสามชั่วมงนี่เป็นการทดสอบกําลังของเราอ่าผ่านไปได้เอาสี่ชั่วโมงเอาผ่านไปได้เอาห้าชั่วโมงเอาผ่านไปได้เอาเที่ยงคืนเอาผ่านไปได้ผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อาสมันมีผลส่งให้เรามีกําลังแล้วทาทําให้เรามีกําลังตั้งเสริมไปต่อหน้าต่อตาขณะนั้นตอนนั้นได้เลย เอาและจา้าห่ไปเราเจ้าจนสุดตลอดราตรีนี่แหละอืมเราทําได้สักครั้งหนึ่งเราก็มีกําลังแหละในเมื่อเราได้ครั้งที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็มีครั้งที่สองเดี๋ยวก็มีครั้งที่สามแล้วก็ทําได้อย่างสบายอันนี้เป็นการเอาธรรมะเพชฌฆาตมามั ด, ม, ดมัดกิเลสในใจอันนี้ไม่มีสะ ด, ดงนะอันนี้ไม่ใช่สะ ด, ดงไม่ใช่เนสัตชิกับสะ ด, ดงเป็นการต่อกกอนกับกิเลสโดยตรง อันนี้ยิ่งกว่าทุดวงอีกท่านนี้อันนี้คือยอดคือผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราสมาทานทุ ด, ดงเราตั้งทุ ด, ดงเราทำาัุดงผลก็จะส่งเรามาเรื่อยๆเรื่อยจนถึงขั้นนี้ขนาดนี้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเทศเอาไว้เป็นไงเป็นไงเป็นไนเราฟังแล้วมันจะมีประสบการณ์มารับกันกับที่ท่านพูด มันมีประสบการณ์มารับมารับมารับมารับโอ้จิตเนี่ยที่ฉันวาดยังไงยังไงยังไงยังไง น, นี่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เราผ่านไปอย่างมีผลมีนิสงจากการที่เราตั้งอดอตั้งใจทำมีได้เป็นได้มีได้เป็นได้ด้วยเรี่ยวแรงด้วยสติของเราด้วยสัมผชัญญะของเราเวลาเราไปในที่เสี่ยงตั้งฮิริเอาไว้ตั้งโอตะปะเอาไว้ ทรีความละอายแก่ใจโอด ต, ตะปะความเกรงกลัวเราตั้งเอาไว้เป็นกรอบเป็นขอบเป็นข่ายเราตั้งเอาไว้ถ้าเราไม่ตั้งเอาไว้เนี่ยผลิ้ามันพลําออกมาได้ง่ายๆนะเราตั้งเอาไว้สงบสเสงี่ยมเข้าไว้ขันติเข้าไว้โสระ จ, จัทธ์ขันติความอดความทนตั้งเข้าไว้โสระ จ, จัทความสงบสเสงี่ยมตั้งเข้าไว้ สงบเสงี่ยมทั้งกายด้วยสงบเสงี่ยมทั้งข้างในจิตใจด้วยระมัดระวังเอาไว้โอกาสที่เราจะเอาตัวรอดนี่เราจะต้องสะสมอะไรหลาย ห, า ย, หายอย่างดังที่พูดมาเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นคู่มือเป็นขอบเป็นข่ายเป็นตาข่ายเป็นอภรรมาช่วยปกมาช่วยปิดมาช่วยหอ่อช่วยห่มมาช่วยสง่งช่วยเสริมจิตใจของเรา มันไม่ทําให้จิตใจเราเปรย์เปล่าหลักธรรมะก็ดูเข้าไว้ท่องบนส่วนบทก็ดูเข้าไว้ฝึกเข้าไว้โอกาสที่เราจะถึงดีถึงได้ยากถ้าเราไม่สะสมไม่ส่งเสริมตัวเองไม่ให้กําลังใจกับตัวเองไม่ขยันมันเพียงให้กับตัวเองเราไปต่อสู้ทางโลกเขาหนักหนาสาหัสมากกว่านี้บางทีถึงกับต่อสู้ถึงกับ เสียงเป็นเสียงตายแล้วเราก็มีการต่อสู้กันทำธุระผิดกา ร, รงานอะไรทั้งหลายที่เราผ่านมายากลาําบากเยังไงพวกเราก็รู้จากด้วยกันความเหนืดมหความยากความลําบากถ้าเราเอาความทุกข์ยากความลําบากความอุตสาหคพยายามเสียงเป็นเสียงตายต่างๆเหล่าลนั้นะมาใส่ในทางธรรมมาใส่ในการปฏิบัติธรรมผล น, นั้นในสองย่อมเปลี่ยนไปได้อย่า ง, างรวดเร็ว นั่นจะเราเคยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นความทุกข์ความยากความลําบากอย่างนั้นมาแล้วเราก็มายอมทุกข์ยอมอยากยอมลําบากในความเป็นอยู่อย่างนี้ของเรามันก็ยิ่งปัดมันก็ยิ่งส่งเสริมทําให้เราไปได้อย่างรวดเร็วไปได้อย่างง่ายไม่มีการอ่อนข้อให้กับกิเลสแหละไม่มีการงอมัน่ะไม่ไม่มีการกอ่อนข้อให้กับมันแ่ละเราก็สามารถสร้างแสร้างตัวเราได้ อย่าลืมว่าเราจะมีธรรมเราจะต้องอยู่อย่างสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนพระว่าถ้าจะมีทรัพย์เขาจะต้องอยู่อย่างสะสมสร้างเนื้อสร้างตัวอุตสายพยายามขยันมันเพียรเก็บหอมราไม่ได้เก็บเล็กผสมน้อยพวกเราป ฏ, ฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจิสติได้ขั้นไหนขั้นไหนก็รักษาระดับเอาไว้จิตวิสมาธิได้ขั้นไหนขั้นไหนก็รักษาระดับเอาไว้นี่เทียกว่ารู้จักรักษา อารักกสัมปทถึงพร้อมในการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ได้ด้วยการรักษาไม่ใช่อยู่ได้ด้วยการสุรุ้ชร้าทอดทิ้งข้อปฏิบัติในการดูแลรักษาอยู่ได้ด้วยการศึกษาอยู่ได้ด้วยการรักษาอยู่ได้ด้วยการฝ่าฝืนอยู่ได้ด้วยการอดอยู่ได้ด้วยการทนอยู่ได้ด้วยสุติด้วยสัมผััญญะพิจารณาไคร่ครวญไไคร่ตรองระมัดระวังเมือระมัดระวังตัว อยู่ได้กับสิ่งต่างๆเรานิ่ตั้งหะไม่ใช่อยู่ได้อย่างปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปไม่ถึงไหนละส่วนหนึ่งก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็มันเอากินหมดทั้งตัวกิเลสกินหมดทั้งตัวไม่มีอะไรเหลือลมือตีอะไรก็ไม่เหลือกินทั้งหมดหัวก็ไม่เหลือกินจนหมดหัวใจนี่แหละกิเลสมันกินมันกินจนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่อย่างปล่อยเนก็ปล่อยตัว อารมณ์ทั้งวันทั้งคืนยืนโดนน่งนอนเป็นของมันทั้งหมดไม่รู้ได้สร้างไปมีความสําคัญมั่นหมายอยู่ไม่ใช่ของภาวนาไม่ใช่ของปฏิบัติแต่นในขณะเดียวกันมันเอาไปกินจนหมดเคี่ยวจนแหลกละเอียดหมดไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวแต่ก็ไม่ใช่แคเพาะแค่นั้นนะความเร่าร้อนก็ตามมาได้ทีเนื่องจากกิเลมันเป่ามันเสพมันเป่าทุกวันเป็นลูกสิทธ์มัน่ะ ต่อไปเปล่ามาเปลามาเปล่าไปมันก็เล่าเราเนี่มันก็บอกอย่างนั้นดีนะเชื่อมันแล้วมันบอกอย่างนี้ดีนะเชื่อมันนล้วงคุดสรงใจล่องลอยไปตามมันแล้วก็ถามมหานิยอมของมันนี่ขลังแทบคลังมากที่ลื่อนเี่ยพวกเราไม่ลืมนะ ล, ลืมตัวปลราลรบความเพียรเข้าไว้มักน้อยเข้าไว้อภิจตามักน้อยเข้าไว้ สันตุทิตาสันโดดเข้าไว้มักน้อยสันโดดมักน้อยในอารมณ์มักน like ้อยในของสิ่งของมักน้อยในอารมณ์สันตุทิฏถาสันตุทิตานมักน้อยในสันโดดสันโดดตามมีตามได้สันโดดตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องสันโดดตามอารมณ์ที่เข้าถึงพิจารณาตามอารมณ์ที่เข้าถึงสันโดดด้วยการพิจารณาคลี่คลาย ตามที่เราเข้าถึงอืชั้นปิดทีกิจตานักน้อยวิเวกตาความสงบความไม่คลุกคลีอสังสัคพลิกาไม่คลุกคลีเป็นเหตุให้วิริยารมพาให้เราได้ปลารคความเพียรเป็นเหตุให้วุเวกตาให้จิตเราพอได้รับความสงบ ตายเราพลอยได้รับความสงบพลอยมีอาจมีทำพลอยได้อาจได้ทำพลอยเรามีศีลพลอยเรามีสมาธิพลอยเรามีปัญญาพลอยให้เราเป็นผู้ได้วิบุตรได้ความหลุดได้ความพ้นหลุดจากกิเลนนั่นแหละพ้นจากกิเลนหลุดอะไรพ้นจากอะไรไม่ต้องไปคิดัึงอย่างอื่นหลุดจากกิเลนพ้นจากกิเลนคือเข้าใจเรื่องของกิเลนมันหลุดพ้นไปจากมันจากอํำนาจของมัน ไม่อยู่ในอำนาจของมันหรเมื่อเราไม่อยู่ในอำนาจของของมันเราก็หลุดไปแล้วพ้นไปแล้วพ้นจากไรพ้นจากเงมือของมันเราไม่อยู่ในโอกาสที่มันจะมาจับเราเหวี่ยงจับลราโมฟาดจนเลกหมดกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมึนพราะเราจะเทียบนะเหมือนกัเราจับอะไรมาไปฟาดจนเลกหมดจนมุ่นหมดนะักฆานเดียวกัน เราอยู่ในงื่อนมูน่ะก็เป็นอย่างนั้นไม่มีมสติไม่มีปัญญาไม่มีอวบายที่จะมาจัดแจงไข้ครวนไต่ตรองประโยชนเรื่องสุดยอดก็อย่าลืมตอนที่พูดไปแล้วกล่าวไปแล้วผ่านไปแล้วผู้ดองเราต้องถึงเพือเป็นการเพิ่มพูนสัจจะเพื่อเป็นการเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเองเพิ่มข้อปฏิบัติให้กับตัวเองเพิ่มความระมัดระวางให้กับตัวเอง ทั้งหมดนี้เป็นการสะสมเป็นการขวนขวายเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับจีวิตจิตใจของตัวเองให้กับให้กับการเจริญสัมมาทิฏฐิให้กับตัวเราเองถ้าเราทอดทิ้งตรงนี้ทอดทิ้งหลักอย่างนี้ตรงนี้เราไปไม่ถึงไหนดอกเดี๋ยวเราก็โจดอดเพราะมันตามเรามาต้อยต้อยต่อยเหนกันแม้เราคิดว่าเราตั้งใจปฏิบัติทำ กิเลสมันตามมาข้างๆเราหน่อยเพราเผลอเมื่อไหร่เข้าสวมลอยทันทีเผลอมา่อไหร่ก็สวมลอยทันทีอย่าเผลอเผลอมันสวมลอยทันทีสวมที่ใจอ่ะดูเข้าไปสิอย่าไปเผลออย่าไปเพลินกับอะไรอ่ะบางทีไปทําแล้วไปยิ้มยิ้มย่องอ่ะเผลอละเผลอละค่ะดูเดี๋ยวมันมาสวมละสวมล่ะมันสวมวิญญาณอ่ะนี่ มันไญญออล่วิญญานทำามองแล้วมันเอาวิญญาณเกเรมาสวมแทนแล้วสวมไปสวมไปสวมไปจเป น, เ, เ, เ, นจเป็นเหตุเกิดความโลบขึ้นมาจนเป็นเหตุเกิดความโกรธขึ้นมาเปิดราคะตัณหาขึ้นมาเกิดการขวนขวายการแสวงหาเข้ามาไม่รู้เนื ร, ร, รู้ตัวคุณสวมเข้ามาได้อย่างละเอียดละออทีเดียวมันคืนลงไปให้อยู่อยู่กับอารมณ์ธรรม อยู่อย่างไม่ทิ้งคำบริกรรมหมือ ล, ลุงตาแต่ไม่ทิ้งคำบริกรรมอยู่อย่างไม่อทอดทิงขอ้อปฏิบัติอยู่อย่างไม่เห่อไปกับโลกโลกมันเป็นสิ่งที่เราต้องผ่านต้องประสบต้องพบต้องเห็นทำเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเอาถือเอาปฏิบัติเอาถ้าไม่ถือเอาไม่ปฏิบัติเอาไม่ยึดวดเวียนเอาไม่ได้แต่โลกมันเป็นไปตามกระแสของมันมันเป็นที่ต่ำมันไหลไปตามกระแสของโลก กระแสของทำต้องดึงต้องฉุดต้องลากต้องเหนียวต้องรั้งต้องขอ่มต้องคูต้องสุกัดลัดกั้นมันเอาไว้ให้อยู่ในกรอบในขอบในเขตมันั้นไม่อยู่มันไหลไปลงไปตามกระแสกิเลสหมดกิเลสมันดึงไปลากไปชักไปพลังดึงดูดมันแรงกิเลสครั้งดึงหดูดรูปมันมีนพลังไหมให้เราดูที่รูป ทำไมมันชวนมองอ่ะดูเข้าไปสิพลังอะไรที่มันชวนมองดูว่าไปสิรูปมันมีพลังไหมนั่นนะ่ยมันดึงดูนะไหมเสียงมีพลังไหมเสียงเสียงโลกมีพลังไหมกลิ่นราะส ม, มีพลังไหมแต่และอย่างละอย่างมีพลังทั้ง น, นั้นอืมโพธิภพแม้แต่นอนุนั่งหลับตานี่แหละถ้เาเกิดให้สัญญารมมาแทรก มันก็ไม่ต่างอะไรกับตาเราไปเห็นรูปเห็นเห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้นรสได้สัมผัสเรานั่งหลับทานี่แหละถ้าเราปลา่อยสัญญารมเข้ามาแทรกเนะี่ยมันก็ไม่พ้นกระแสโลดดูดไปดูดไปเสียงดูดไปอะไรดูดไปดูดไปบบมั น, นพลังดึงดูดกระแสโลกมันดึงดูดพลังดึงดูดขึ้นมนก็คือพลังกิเลนั่นแหละมันดึงดูงดกิเลส ม, นะมันเกิดมันจะเกิดที่รูป ไปดูในมหาสีประญานกิเลี่ยมมันจะเกิดมันเกิดที่ตาตั้งอยู่ที่ตาดับไปที่ตาก่เหลสมันจะเกิดมัเกิดที่รูปตั้งอยู่ที่รูปดับไปที่รูปถ้าจะละมันก็ละที่ตาละที่รูปกิเลีสมันจะเกิดมันเกิดที่วิญญาณมันเกิดที่สัมผัสเวลาสัมผัสปั๊บ มันก็เกิดกิเหลยมันกเกิดขึ้นมันก็ตั้งมันกเกิดที่ยิน ญ, ญานเวลากระทบปับ๊บมันกเกิดที่เวทนาจักขุสัมผัสจะชาวเวทนาเกิดสุ ข, ขเวทนาก็ยึดเกิดทุกขเวทนากระยุบีิเหลสมันจะเกิดมันกเกิดที่นีต่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี่แล้วถ้าเพื่อเราจะดับมันเราก็ดับที่นี่จะดูในหลับมาซีปฐาท่านพูด เราไปอ่านดูแล้วมันได้ข้อปฏิบัติติดอยู่กับเนื้อกับตัวทีเดียวมาสื่อประธานสูนทิศที่เราพิมพ์มาที่เอามาดูที่เรืองมันจะเกิดมันเกิดที่ตามันเกิดยังไงแนี่เราก็ย้อนเข้าไปสิมันเกิดยังไงที่เรื่มันจะเกิดมันเกิดที่รูปตาเราไปเห็นรูปมันเกิดยังไงเราก็ดูสิดูอย่างมีสติมีสัมผัสยังยักกำกับดูเกิดจากเวทนา จากขุสัมผัสสิชาวเวทนาเกิดจากสัญญาเกิดจากสัญเกตนา<ม>คือมีเจตนาเกิดจากตัณหาคือความอยาก<ม>เกิดจากวิตต์เกิดจากวิจารณไปดูท่านอะไรเอาไว้ถี่เรงเกิดดูรายละเลอียดแต่ถ้าเราดูไปแล้วอู้อะไรมากมายเยอะๆเราจำไม่ได้เราจับไม่ไ ด, เไได้เราจับตัวเดียวเท่ากับเราจับได้หมด จับทุตตาเราจับอย่างเดียวเท่ากับเราจับเวทนาเท่ากับเราจับสัญญาจับสัญเกตนาจับพิตตุกจับวิจารณมีมีค่าเท่ากันหมดเพราะอะไรเพราะมาจับที่จิตดวงเดียวมัจับที่ใจดวงเดียวสัมรวมมาที่ใจดวงเดียวก็อยู่หมดอยู่หมัดหมดรายย่อยรายปริญย่อยเราเพียงไปดูให้เกิดความเข้าใจแต่เวลาทํางานจริงๆมันก็มาสรุปมันรวมรวอยู่ในใจหมดที่เลยเกิดมือเพื่อที่ใจ ตั้งอยู่ตั้งอยที่ใจดับไปก็ดับไปที่ใจเมื่อจะดับที่เล็ก็ดับได้ที่ใจเพราะมันเกิดขึ้นที่ใจมันตั้งของที่ใจเวลาเราจะดับมันตอนเราก็ดับที่ใจเราดับดับด้วยอะไรเราดับด้วยสุติเราดับด้วยสัมผัสัญญะเราดับด้วยอาตมปะตะล่อมทํางานรวมกันเป็นปัญญา ทีเราดูเหมือน่อเราเอาคือใช้ที่มีแรงสูงสง่งรอยู่เฉพาะหน้าเอออันนั้นตรงนั้นมันตรงนันดูก็อยู่นั้นแล้โดโดโดเวเมื่อเราดูชัดเจนเข้าไปแล้วหากธรรมชาติมันเรียกกันเรือตรุมชติธรรมชาติตโอโ อ, อันนั้นธรรมชาติอย่างนั้นขอมันโออันนั้นธรรมชาติอย่างนั้นของัวออันนั้นธรรมชาติของมันมันเห็นมันเข้าใจตามหลักความเป็นจริงด้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจตามความเป็นจริงไม่ชัดไม่เจน ไม่มีอะไรสองดูไม่มีสติสองดูไม่มีปัญญาสองดูโมหะ ม, มันครอบมันคลุมมันปิดมันบังมันครอบมันเงาเอาไว้เราไม่เห็นแล้วก็เผลอหลงไปตามมันหลงยึดไปตามมันหลงถือไปตามมันสัจธรรมที่แท้จริงตัวที่แท้จริงไม่ปรากฏนี่เมื่อไม่ปรากฏเราก็อยู่ด้วยความลุ่มหลง ความุ่มหลงกับความเพลิเลยกับโอกาสที่กิเลสมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ครอบําก็ไปด้วยกันนั่นแหละไปด้วยกันนี่เป็นข้อปฏิบัติใช้ความภาคความเพียรใช้ความจุดจอ่อใช้ความอบรมใช้ความสังเกตสังกาเวลาเข้าเหนื่อยอยากพักอยากสงบก็สงบเข้าไป เวลามีสติมีปัญญาดีพอที่จะดึกมาทํางานได้ก็ดึงมาทํางานมาที่นิตมาพิจราจรณาพิจารณาอะไรล่ะมอ ง, งไปหมดแล้วไม่รู้จะพิจารณาอะไรพูดมากมายเยอะแยะก็มาพิจารณาดูตานี่แหละพิจารณาดูรูปตามันเห็นรูปแล้มันเกิดเลยตามันเห็นรูปไม่ใช่มันจะหมดแค่นั้นนะดูต่อเข้าไปให้มันต่อนอี่เองตามันเห็นรูปแล้วก็มันฟังเข้ามาที่จิตแหละ มันได้ยินเสียงแล้วมันฝังเข้ามาที่จิตแล้วบางทีเดินไปเฉยๆแต่ว่าอารมณ์ที่เห็นนั้นมันยจะค้างอยู่ที่จิตเดินรู้คิดคล้าควรไปตรองไปในภายในนั่นแหละถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันสร้างกิเลสเพิ่มเติมจนเยอนโบนันฟาดจนหัวแตกเลือดเดิมเพราะฉะนั้นท่านให้ดูมันไม่ใช่สุดแค่เราเห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นต่อเนื่องไปดูให้เห็น ด, ดูอย่างพิจารณาดูอย่างพิจารณาธรรมะไม่งั้นเราก็ไม่เห็นสัจสจะชัดจะอยู่เฉพาะหน้าแต่เราไม่เห็นเราไม่มีเครื่องสองไม่มีกําลังสอดสองไม่มีสติไม่มีปัญญาสอดสองเวลาเขาไม่อยากสอดสองเขาอยากสนุบเราก็ให้เขาสงบซะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธมากอย่างงั้นแหละมีคือวิธีการสร้างความวิเสศษที่สวยกับใจิตใจของเราของท่าน เราศึกษามาตรงนี้เราศึกษามาบนรากฐานของสมุทัยเรามาถูกทางตรงนี้มันจะไม e e e e ่รู e ้ไม่เห็นะมันจะมันต้องรู้ต้องเห็นในเมื่อเรามาแหล่งแหล่งมันเรารู้จักแหล่งมันการที่เราจะมาพลิกมาแปลงมาดูมาสังเกตมาสังการอะไรเราต้องเห็นมันอยู่ตรงนี้แหละมันจะออกมันก็ออกมาตรงนี้แหละมันจะตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ตรงนี้และมันจะไม่อยู่ เราจะทำลายหัวมันในฟาดมันให้คอหักไปไปตรงนี้มีหนทางข้อปฏิบัติอารมณ์มันเกิดขึ้นมันมีทุกอย่างแหละไม่ว่าอะไรตุ๊แต่ถ้ า, าเราไม่ชัดในอารมณ์เนี่ยมันงุบิดแล้วทั้งจะหนาวทั้งจะร้อนทั้งจะวิเวททั้งจะบังเวททั้งจะ ว, าว่ะวาเวททั้งจะอะไรสรารพัดไอ้ทั้งจะนึกหน้านึกหลัง น, นึกอะไรเราไม่จอดูประหิตใจ พอเราปลาอยมันนึกนึกนึกป่นึก่ไปนึป่ไปแล้วมันก็ดึงทุกข์เข้ามาใจเรามันทุกข์เพราะมันคิดมันคิดมันคิดไม่ถูกแต่ถ้าคิดถูกยิ่งคิดก็ยิ่งมีความสุขยิ่งคิดก็ยิ่งเพิ่มพูนปัญญาแต่ด้ยเหตุที่เราคิดไม่ถูกนั่นแหละมันก็ดึงทุกข์เข้ามาดึงทุกข์เข้ามาให้เราเสียใจให้เราน้อยใจให้เราเครียด ให้เราห่วงหน้าให้เรากังวลหลังให้เราสับสนภายในหัวใจรีๆฟังๆอยู่นั่นแหละนี่จะว่าเราคิดไม่ถูกคิดยังไงถึงจะคิดถูกคิดให้เข้ากับหลักของธรรมะธรรมะธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติมันมีอยู่เพราะมันมันเป็นอยู่เพราะมันตามหลักตามภาวะที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงอย่าให้อารมณ์ในภายในซี่เป็นสัญญาอารมณ์ของกิเลสมันมาเครือบมันมาลูกมันมาคลำ ถ้ามันมาเคลือบมาลูบมาครลำที่ไรเมื่อไหรแล้วเนื้อแท้เราไม่เห็นออกมันมักเคลือบมันมาบดบังไว้หมดเนื้อแท้เราไม่เห็นหออกมันบดบงังมันปิดบังเราไว้หมดอ่ในที่วนมันก็ถึงผิดมาให้เรามาให้จิตยู่ก็ทุกข์แหละถามว่าใจเราทุกข์เพราะอะไรใจเรามันทุกข์เพราะเรานึกผิดคิดผิดเข้าใจผิดแล้วก็สําคัญผิด ทำไมถึงนึกผิดเห็นผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดเพราะเราไม่มีสติไม่มีสัมผัสจัญญะไม่มีปัญญาพิจารณาไขคุณไตรตรองแยกแยะว่าอะไรเป็นหลักของสัจธรรมอะไรอย่างไรเราดูไม่ออกในสุนทรขึ้นทุกข์เข้ามาเรานึกถูกคิดถูกสําคัญถูกถู ก, ถกตามหลักความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิตามหลักของสัจธรรมเรานึกคิดทั้งวันเราเอาธรรมะทั้งวันเราได้ธรรมะทั้งวันเรามีความสุขใจทั้งวันเรา มีปัญญาทั้งวันสติมีทั้งวันทําไมเราถึงทุกทำไมเราถึงทุกทุกตอนนึกไม่ถูกคิดไม่ถูกนึกไม่ถูกคิดไม่ถูกแล้วมันก็ไปพาทำไม่ถูกก็เพิ่มกรรมเข้าไปอีกละกายกรรมเม่กีกรรมเพิ่มเข้าไปอีกละเห็นไหมโกรธขึ้นมามันก็พ่ายปากพูดไปละพูดโมโหโตโสกไปละกระทบอีฝ่ายหนึง่งเดือดร้อนกข้ามาอีแล้วเดือดร้อนคนเดียวไม่พอเราก็ไปเดือดร้อนอีกคนอี ตามมาละนี่เห็นไหมถ้าคิดถูกนะคิดอะไรถ้าคิดถูกเนะี่ยอภิชาเกิดขึ้นไม่ได้โทมนัสเกิดขึ้นไม่ได้อภิชาแปลว่าความเพ่งเล็งความยึดมาความยึดเอาแปลว่ายุ ด, ดีแปลว่างั้นนะประรับโทมนัสแปลว่าความยินร้ายไปดูนในหลักมารีประทานท่านพูดถึงอภิชาและโทมนัสถ้าเราคิดไม่ดีเนะี่ย ถ้าเราคิดไม่ดีล่ะอภิชฌาเกิดขึ้นแล้วคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเราคิดดีเราพิจารณาดีเห็นต้องตามหลักความเป็นจริงของหลักสัจธรรมอภิชฌาโทมนัสอีกเกิดขึ้นไม่ได้นำอภิชฌาโทมนัสให้พินาถันบอกให้พินาถเพียงเราเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ม, ดดดดดไไมันก็ทีนาถมันก็ล่มจมมันก็หายหัวหายหน้าหายตาไปหมดแล้วเกิดขึ้นไม่ได้ มีท่าทายอยู่นะท้าทายอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่เราทนทุกทรมานเราต้องการอะไรเราต้องการแค่วันคืนล่วงไปแค่นั้นเลยเท่านั้นเลยแค่ก่อนแลปะปันนี้กินลกนนอนนี้กนะ็ไม่ใช่นั่งอยู่แบบล้มจมขาดทุนชุนดโต๊ะ อยู่แบบมีสติมีสัมมัญญามีปัญญาพิจารณาอยู่อย่างพิจารณาให้ควรไตรตรองอยู่อย่างเป็นตัวของตัวอยู่อย่างเป็นผู้มีทิฏฐิคือความรู้ความเห็นสั่งสมเข้าไปพำเพ็ญความเพียรสังสมเข้าไปาาสติตั้งเข้าไปสัมชัญญาตั้งเข้าไปอุตสรรพยายามเข้าไปอย่าไปท้อใจให้อะไรอะไรกับมันในโลกโลกนี่อย่าไปท้อใจอะไรกับมันอย่าไปอ่อนข้ออะไรให้กับมันมันมีอยู่แค่นี้แหละ เราว่ามีอะไรดีๆวิเศษวิโสเกินนี้ไม่มีมีแต่เราจะถีบตัวให้พ้นไปจากอำนาจของมันตัวอำนาจของมันคืออำนาจของกิเลสนั่นแหละอำนาจของความรุ่มหลงพายใจเราหลงดึงมายุดเข้าไปแล้วมันดูดเข้าไปเลยอำนาจของมันนั้นให้เราพ้นจากอำนาจของมันนั่นแนหะเราพิมพ์มุดหลุ ด, ลดพ้นพ้นจากพลังดึงดูดของมันพ้นจากแรงดึงดูดของโลก โอ้เสียงครณว่าผลิตภัณฑแรงดึงดูดดึงดูให้เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเนี่ยเขาไม่พอเนี่ยนะหลักธรรมะอภิชาโทมนันะอภิชาความเพ่งเล็งความอยากหน้ายอยากเอาอยากยินดีคนเราเมื่อเมื่อยินดีแล้วมันก็ถือเอามันก็ติดออกติดใจแล้วก็เมื่อยินร้ายยินร้ายไม่ติดออกติดใจเลยยินร้ายก็ติดออกติดใจอย่าง น, นคนมันจะคิด เครียดแค้นอาฆาตพยาบาทล่ะทีแรกคิดคิดอุ่นอุ่นขึ้นมาในใจนี่เครียดคนนั้นคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปเฮ็ดหนักหนักมันกเรารูปขึ้นไปฆ่ากันนึ่งสามารถไปฆ่ากันได้เห็นไหมมันสะสมเข้าไปมันดึงดูดเข้าไปคิดในเรื่องบาเรื่องกรรมเรื่องความชั่วเราก็เพยได้รับทุกทุกในขณะที่คิดแล้วไม่พอทุกตามมาด้วยเหตุไปสร้างกายกรรมไปสร้างวิจิกรรมเพิ่มเข้ามาอีก ไม่มีการจบไม่มีจุดจบพึงระมัดระวังเมือกันทุกคนเอาละพอสกคนละ